ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาเต็มพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำดีบายสักสิบนาทีเสร็จการเยริมพระกรรมฐานตอนนี้เป็นการปฏิบัติในสายสุขวิปัสสโกสหรับสายสุขเวสสโกนี้ไม่มีทิปุญญาไม่สามารถท่องเที่ยวในภพทั้งสารได้แต่ได้ว่าบรรดาเต็มพุทธบริษัทที่ได้มนโนนิธิแล้ว เริย่อมสามารถไปได้ตามปัญญาใส่ไม่ได้ห้ามเพราะว่าการปฏิบัติในได้เขงมนโนยุทธิ์ห ท, ที่เรียกว่าปัญญานั่นพระพุทธเจ้าส อ, สอนเพื่อเพื่อความสงสัยที่พระองค์ทรงตัดว่าตายแล้วมีสภาพไมส่สูญตายแล้วต้องเกิดไปเกิดไปอะไรบ้างเช่นเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ประหลาด เ ก, กเกิดเป็นอสศรกายเกิดเป็นเปรต เ, เกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัมมาเวสีเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรมหรือ ว, ว่าไปานิพพานดวงความมรสภาพการตายก็ตายไปร่างกายแต่ว่าจิตใจและทิศมาในกายไม่ได้ตายไปด้วยยังมีการเสวยสุขมีการเสวยทุกข์เป็นธรรมดา แล้วก็พระเจ้าทรงตัดไปอย่างนี้จะได้ทร ง, งสอนหลักสีวิชาสามและอ <c oughs> พิญญาหกเพื่อบัรดาล่ทนผู้บริษัท์ฝึกแล้วจะได้พิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดจริงไหมคนสร้างความดีไปเกิดถึงว่าเป็นเทวดาและพรหมจริงไหมคนที่มีจิตสมบริสุทธิ์จากกิเลสไปสามารถปฏิพันธ์ได้จริงไหม คนนี้มีอารมณ์ชั่วตายใจความ เ, เป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแป็สุกายเป็นสัตว์อาฉันจริงไหมนอกจากนั้นก็สามารถระึกชาติได้เป็นต้นฉะนั้นบรรดาแต่นพุทธาศาสนิกชนที่ได้หลักสูตรก็ปัญญาื อ, อคือว่าโนยิทธิแล้วก็สามารถใช้กำลังได้ไม่ห้ามในเวลานี้ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้หลักสูตรพระปัญญาคือมโนยิทธิก็ใช้เวลากําลังใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามปกติคือเวลาให้ใจเข้าในกว่าพุทธเวลาให้ใจออกในกัว้วโทอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าต้องการจะฝึกมโนยิทธิคือหลักสูตรพระปิญญาในตอนตอ น, ตอนกลางวันก็ใช้คํามรณาวนณะมพะพัทะ เวลาให้ใจเข้านึกตามมณะมะเวลาให้ใจออกนึกตามอภาตะหรือว่าถ้าบรรดาทต็พุทธบริษัทมีความประสงค์จะเจริญขั้นแค่สุขวัสโกไม่หวังฝึกในหลักสุขปัญญานวิชาสามถ้าบังเอิญปฏิบัติมาจากที่อืน่น มีการภาวนาแบบไหนคล่องตัวให้ภาวนาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนอย่างที่เรียกว่าภาวนาวาสัมมาหาังก็ดีลูกหนอพองหนอก็ดีหากว่าท่านต้องการจะเรียนเฉพาะสุขภัโกแล้วก็สามารถทำได้าาตามาาวิทยาสายคือภาวนาได้ตามชอบใจไม่ห้ามเว้นไว้แต่ว่าท่านจะฝึกหลักสดตรก็บปัญญาเ น, นี่ยต้องภาวนาตามหลักสตร รวมความว่าการพิจารณเพื่อภาวนาให้จิตสมาธิให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ไว้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเท่านี้เป็นสมาธิขอใ น, นเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามเวลาให้ใจออกภาวนาตามยานี้ยังดีมาก ลนก่อนที่จะภาวนาตั้งแต่บัติที่เป็นต้นไปขวัรด า, าท่านพุทธบริษัทน์หลายตั้งใจฟังคำแนะนำและก็คิดตามไปด้วยเมื่อการปฏิบัติไปกรรมาฐานทุกหมดขวัรด า, าท่านพุทธบริษัทก่อนขึ้นตนได้พระเจ้าให้แผ่เมตตาไปในจั ก, กรวาลทั้งหมดคิดมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า สัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครคิดว่าเขาทั้งหลายเป็นที่รักของเราเราจะมีความรักเราจะมีความสงสารถ้าผู้ใดมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะเพีงช่วยได้เราจะช่วยมีความสุขถ้าคิดอย่างนี้จิตใจจะเยือกเยน็นอารมณ์จะเป็นสมาธิได้เร็ว หลังจากนั้นบรรดาแตนพุทธวิสัยก็คิดว่าบุคคลใดที่มีความทุกข์ในความเป็นอยู่เราไม่เกินวิสัยเราจะให้เราจะช่วยถ้าเรายังเกินวิสัยที่เราจะให้ได้เราจะช่วยได้เราก็คิดจะให้จะช่วยไว้เสมอและสร้างกำลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตน ถ้าคิดอย่างนี้อารมณ์เขบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นการตัดโลภะความโลคได้เป็นอย่างดีเป็นก้าวที่หนึ่งที่ท่านนนั้หลายจะเข้าถึงพฏิพพานก้าวที่สองต่อไปองสมเด็จพระิชิตามานทรงแนะนำให้ทุกคนท่งสินให้บริสุทธิ์ทั้งที่อยู่ที่นี่จะกลับไปที่บ้านก็ตาม คิดว่าตั้งแต่บัินี้เป็นต้นไปเราเยีมบรรพบุรมุมีสินบริสุทธิ์แ้าทรงสินแปดไม่ไหวสิ่งที่มีความสำคัญก็คือสินห้าสำหรับชาวบ้านสินห้าพยายามทรงให้บริสุทธิ์ผุดผองให้ได้สินจะเป็นกำลังใจให้ตัดโทสะความโกรธลดน้อยไปตามลำดับและในที่สุดบรรดาเต็นพุทธบริษัท อ, องสมเด็จระทรงสวัสดิโชภาตัตว่า ให้ทุกคนใช้ปัญญาพิจารณาความดีเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีมีความดีพอยอมรับนับถือไหมถ้าบรรดาแทานพุทธบริษัททั้งหลายไม่สงสัยในความดีเ ข, า, ขาองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นตน้นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ ไม่เคเรือบแคลงสงสัยในความดีของท่านอย่างนี้องค์สมเด็จพระพกวันบระมศาสดญญาสัมม า, ท, มาทัมเบจจเจ้าถือว่าเป็นหลักใหญ่คือหนึ่งคิดให้ทานคิดเมตตาสองรักษาศีลสําหรับภาวนาคิดถึงความดีขององค์สมเด็จตัสัมสมาทัมเบจจเจ้าพระธรรมแด่พระอาดีตสองและขั้นสุดท้ายให้ตัดสินใจโปรง่งว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพุทธโลก ไม่มีความสุขจริงจะต้องมีความทุกขเ์เบียดเบียนเสมอเราไม่ต้องการเราต้องการคือนิพพานตัดสินใจตามนี้เพื่อการเจริญพระรามฐานนั้นพุทเจ้าต้องการให้ทุกคนเข้าถึงนิพพานการแยกเข้าถึงนิพพานจริงจริงท่ายังไงให้ปฏิบัติให้นึกตามนี้ไห่คนไปแล้วปฏิบัติตามคือหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้ต้องตาย การตายแล้วมีสภาพไม่สูญต้องเกิดใหม่เราจะเลือกเกิดเฉพาะที่ดีมีความสุขถ้ามีบารมีอย่างอ่อนเราจะเป็นเทวดาก่อนจะเป็นนาวฟ้าก่อนคือไปสวรรค์ก่อนถ้ามีบารมีอย่างกลางใจเราจะไปเป็นปรกมถ้าหากว่าบารมีเต็มอัตราเราจะขอปานิพานชาตินี้ ตัดสินใจว่าไปนิพพานเลยดีกว่าถ้าไปนิพพานไม่ถึงมันก็พักที่เทวาดาหรือผมการไปเทวาดาหรือผมที่ก็จะบำเพ็ญบารมีต่อที่นั่นแล้วไปนิพพานทันทีดังแบบการปฏิบัติตอนต้นขบรรดาแทนพุะตถาสนิกชนยึดอารมณ์เบโสดาบานนัญก่อนคืออารมค์ขเบโสดาบันนั้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย สองยอมรับลับถืพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านสามทรงสินห้าบริสุทธิ์สี่จิตมีหวังพนิุพันฑ์เป็นที่ไปแน่นอนไม่หวังไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมอีกถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้ท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นระโสดาบัน าเห็นว่ากำลังอามวโสดาบันยังน้อยสนหรับจิตใจของบันดาท่านพุทธบริษัทให้ตั้งใจไว้เพื่อเป็นพระสิกขาคามีพระสิกขาคามีก็ละสังโยชน์ได้สามยามวิโสดาบันเหมือนกันก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเราไม่ลืมว่าเราจะตาย ในการดีสองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอธิยสองไม่สงสัยในความดีของท่านในการดีสามทรงกาหนดสิบครบถ้วนกําบดสิบก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรมนี่ทางกายทางกายมีสาม คือทางวาจามีสี่คือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบให้เครื่องอเตือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังสามไม่พูดวาจาส่อเสียดยุโยงส่องเสิอให้เขาแตกแกราวกันและก็สี่ไม่พูดวาจาที่ไม่มีประโยชน์สำหรับด้านกำลังใจ ใจไม่คิดวา่าอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจเราจะไม่ถือเอาข้อที่สองจะไม่มีการพยายาม ค, คือไม่จอล้างจองฝผลงไข่ความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ไม่อาฆ า, าตมาดรายไข่ข้อที่สี่ทำความเห็นให้ถูก ความเห็นก็มีว่ายอมไม่ลืมความตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยงสงฆ์ทรงสินห้าและกรรมบุสิครบถวนอย่างนี้ที่มีความเห็นถูกแล้วก็มีจิตหวังปฏิพันฑ์เป็นที่ไปถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้ที่ว่าเป็นตัะสิกธาคามีเป็นไหมวิสุตีินักท่านบอกว่าบุาคคลใด ถ้าเป็นประโดดาบัญก็ดีเป็นพระสิกธาคามีก็ดีในที่ น, นั่งใดในที่นั่งนั้นให้ทำใจถึงพระาราหันทันทีอารมณ์ที่ของท่านจะถึงพระาราห์ก็คือว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไมนมีการทรงตัว มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงในทามกลางมีการสลายตัวคือตายในที่สุดสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์ปีไรถิหงก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในที่สุดก็ตายเหมือนกันหมดวัตถุท้ายก็พังเราไม่หวังการเบติวดาถ้าเรื่เราไม่หวังการมนุษย์ต่อไปอีกการเบติวดาถ้าผมมีความสุขจริงจะสุขไม่นาน เอาหมดบุญวาสนามารมีก็ต้องกลับมาใหม่เรามา่นา้องการเราต้องการนิพพานทําหรับท่านที่ได้มโนยิ่งีแล้วเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนหน้าอง์สมเด็จพระจิตตมานวันหนึ่งสักสองสามนาทีหอก่อนหลับไปครั้งหนึ่งตื่นใหม่ๆไปครั้งหนึ่งไปถึงที่นั่นตัดสินใจว่าถ้าเราตายวันนี้ขอมาที่นี่จุดเดียวคือนิพพาน ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำอย่างนี้นั้นํถนับท่านที่ได้สุขัสบะสโกไม่สามารถจะปานิพันธ์ได้ไม่สามารถจะเห็นนิพาน์ได้<ม>ก็ทรงกําลังใจตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไรขอปนานิพาน์เหมือนั้นตั้งใจอย่างนี้ก่อนหลับหน่อยหนึ่งตื่นแล้วสักหน่อยหนึ่งทําอย่างนี้ทุกวันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องปานิพันธ์เป็นของไม่ยากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัท วันไหนป่วยไข้เป็นส บ, บายถ้าจะตายวันไหนวันนั้นท่านจะเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็ปานิพานถ้าไม่ได้อารหันต์ในชาตินี้ตายเป็นเทวดาหรือผมอะไรเวลานั้นได้ฟังเทศเจ้าองค์สุนพระจอมไตรประมาสศนดาคือพระสีอานเพียงจบเดียวจะเป็นอารหันต์ปานิพานทันทีแทระบรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายเวลานี้ก็หมดเวลาแล้ว ขอสาว่าโกงสมเด็จพระบพิธีแก้ว ต, ตั้งกายให้ตรงตั้งมองจิตให้มันกำหนดรู้ลมใจเขออกใช้ค า, าบานาและพิจารณาตามอัธยาใัยเจียงกว่าจะได้สัญญาณบอกนินสัญญาณบากฏเวลาสำหรับเวลานั้นี่ยตั้งไะไรมาให้บรรดาพุทธบริษัทปฏิบัติเพียงแค่สามสิบนาทีพอถึงเวลาสามสิบนาทีค่อยพระเจ้าหน้าที่พวกโกคุมเจริญระกรรมฐาน ให้สัญญาณหมดเวลาหมดเวลาทันทีตอนนี้ไปเขาบรรดาธรรนพุตรบริษัทหลายเรื่องปฏิบัติได้